ท่อสอนวราพุทธศาสานาตเป็นมาหาทรัพย์มาหาศ้ลพอแหงแล้วคำมันอาหารค่ะเปิดออกมาให้น้ำได้ค่ะอุนอ่นๆดูบะบูดบะเนาคำ น, นั่นนัอนอบนำหอมกระเปิดออกมาให้น้ำได้กันั่งโบขายกินขันชี้งได้มัน ปีนเกี่ยวข้ามฟ้าพระพุทธเจ้าไปบอลหลอมนุษย์กระสรือสั่พระกสือสั่งเน่นกระสือสั่เจ้าหน่ายก ร, าระสือสั่เพราะขาเพราขล้ายกระสือสัไปบอลหอดที่ถื้อว่าไม่บาไม่บุญไปบอลอดครือกันผลของกรรมมันไม่คดีดาคดีแดงในโรงในศาล มันจบกเกษียณเป็นกรรมและผลของกรรมจบกเกษียณใหม่เป็นเลยทั้งดีก็ตามไปหอดศาสเขาสูพรพเนปาลทั้งซัวก็ตามหอดศาสเขาสูพระยนปาลไปนํากันฝันง่วงงามคูแต่ส่วนจนถึงพระละหันแล้วตามไปมันกับพระเถรพนพระพนบางวกิเลสมันไม่กล้าเขาหาเพิ่นได เสือกรรมและผลของกรรมคือเสื้อพระพุทธพระธรประสงค์คือเสือสอเส้อความดีของกับของคือเสื้อความเห็นหอของเจ้าของของเจ้ของเป็นของควรเสื้อได้แล้วคือเสื้อกรรมและผลของกรรมที่ทำดีแต่เสื้อกรรมและผลของกรรมที่ทำดีทัางได้ชัวร์ห้องปฏิบัติเวรนี่ยธรรมัญญาตาเป็นผู้รู้จักเหตุเรู้จากว่าสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งสุขสิ่งนี้เป็นเหตุแห่งทุกข์ อัคันโตาเป็นผู้โดยจักผลโดยจากพระศุภเป็นผลแห่งเหตุอันนี้ทุกเป็นผลแห่งเหตุอันนี้เดี๋ยวอัคคูนั่นในดวงตาเห็นเท่าไหล่อันนี่ชีเพิงของกระของเลยเขาเมื่อพันริ้วตา ก, กับริ้วเห็นมันไมยประโยชน์เท่ากับทีริ้วแคยไหนช่างาว่า โรคเขผ้าเปลี่ยนนะท่านบ่เลยว่าผ้าเปลี่ยนกับเปลี่ยนเ น, นีม้ันเป็นประโยชน์แม้ว่าเป็นประโยชน์เทาก็จะเปลี่ยนไปยังแม่วโพแม่วผึงกังงกว่าโรคผ้าเปลี่ยนคือกันแม่วันเขียวจะกุดกีกับว่าโรคผ้าเปลี่ยนคือกันแม่วันตอมใตหยอดไข้าขางต้องใตหยอดหลอดไข้าขางลงในของสงมมทับสมทาง คนอยาบความควางทิ้งมม้ที่จา่าเพราะแต่ตัวฟัลโซโคนำเช่้โรคลงไปสู่อาหารกินเข้าไปก็ได้ตารเมโรคตายประมาณไม่ช่วนเองเราจะต่างกันนี่คือกานเชื้อเมื่อเขาแล่นน้ำเล็กน้ำผาหัวห้องตาตีน้ำตีไปตีว่าใครจะบอกเงินเสียเทาหมือนที่ลาเดียเขเสียของแมนบอสูสูๆๆ กูได้มา่าโตจริงแต่ได้เพราะว่าก็จริงทั้งเสียอันเนี่ยแม่นหมอเอานกูตัวมึงตัวกูแม่นห่อขี่กระโม่ไอ้ตัวขี่กระไม้พวงนักปารพวกเขีนโทษจะส่งเสริมกันไปท่งเหีนโทษเขียนกงจักว่าแม่นดองบัวแม่นหอ่อ ขมือเดกเขาไปตักมือเน้นเจะหัวก็ไปผูกตัวเลขเจ้าหัวใช่อหมเจ้าพระใช่ไสมเอิเจอามือเอิญพระเอ่อเน่นเอิญชัวใช่ไเมเอิญพระเอิญเจ้าหัวมอมนั่นมอมนี่ใ้่ไหมเอินพระเอืญอาจารย์เอิญล่อง่อเอิญล่องตา ้ปูมันขาวมากยู่แล้วยาเกาวาราโล่มันก็เติบโตเพียเน่าน่หอกนะพ่เากันแล้วรู้ว่าน้องปีงแล้วจะเอากดกระจุงอยู่ร้างกันแลู้มันลิ้นหายเลยยักษ์ประกเห็ดกล่องแขนกล่องขาให้หน้ายังชิ้ายเมื่อชิ่งหงอกเลย ขี่คู่ขี่คู่สองพวกถั่เป็นยังนั่งกันว่าท่านว็ทจะตังน้อยตังพันพวกถ่เออตังวะ amen หรือว่าถือบาดเน่งผู้ขาดเล่ยร้านเน่งว่าส่ยังจีบหมายมือเดียวเนี่ยเขาจะ ท, ทุ่มเทไปใส่เพ่าะว่าได้ทำนั่นแหละ แล้วพ็ผู้ที่เจอเอา้ามกขาาา่าซาดีบุรตรงด้วยหมอขาลาา่าซาดีบุตรเลยมันมันเศร้าโศกแลยฮะไม่ไมาบวมา ต, กมตุกกันเถอะออกาศพร่านมามาเรีนกันเลยบาทกีวัดกบายุทา้งนึงแล้วบอกใจไจเสพบินทบาทกแลาา้วพยูน้ำหมอกขลาซาดีบุตรพายุน้พระเจ้าละเดี๋ยวนมาผู้ที่เจ้าที่ ขาวรถถ้ำสําคัญ้านาตัวอยู่เนื้อถ้ำค้อจะเลิศแนแต่จะเลิศขึนที่ใจเท่าข้อมเสื่อมกัะเสื่อมขึ้นที่ใจเท่าดินฝาอาบอกว่าว่ า, วาจะเริศนั่งเพรมาเสื่อมนํางําได้ใครกาคื อ, อคิดใจเทากาะกอเกาขึ้น พ่อทั้งดีก็เลยรับผลนดีพอทั้งครัวเลยรับพ้นครัวใครเป็นผู้รับเหตุแล้วผู้พ้ผลกรรมันใจผู้เดียวกรรมในที่ทาแล้วด้วยกายกรรมเมื่อกีกรรมโนกรรมก็ตาเดือดร้อนไ้้ภายหลังเธยจะไปทำเน้อนะครท่านีอห้าวว่ไฟจะเลือกได้คนพ่อไดขวเก็บเชปลากรอบาแยกน้อยขวมขั้นก็คือเืองอมขั้นเป็นยังไงทานไฟประกเลยะพ่อแม่บํ ออกแทะปากมู่เฮาเนี่ยว่าจะไนเนยเขาออแล้วนะจะแอ่แกันดื่ม บ, ำบำ๊บบอบบ๊อบสมนึงส่มนึ่งไปแไกป เ, เก็บก๊กตะเขียนเนี่ยมันลมหมดแต้ว่าเขาเขียนสะโดนโต๊ะได้เล่นมนั่นมันออกแล้วนะ หัวกล่าผ like ู้มันหมุนมันกับว่าอะไรว่าสั้นผู้มันหมุนมันกับ่เป็นเศษถีบ่สร้างออเดี๋ยวอนไปลอกไลยมูอืมน้ำบริเวมุนน้าเขาหม้างอางหนึ่งคือพิบาเนี่ยเอาว่าเอาแนบแบบค้ไปใส่บังไปสะลังก็รักรับรั่รับรับรับรับรับรับเับรับรับรับรับรับรับรับรั่รับับรับรับั ว่าคุณร um> ัดขี่ยอดเงาะเทียใดเทียเสียคือเงาะเนี่ยงานพะนั่งเว้ยะนั่งเต็มพวกเน่ยพัะนี่เต็มเว้ยจบลงจบหายหมดสามลัาเข้าน่ไม่ได้เสียเงินน้ำพนเนี่ยเสียเงินน้ำพนบาทนึงจะโอนมาจะรัฐการที่เก็บคงินแะือเรข ก็คือรัฐบาลบาดดนะ้วยบ้าถือก้าวโตโวยพอไอีแม่ออกเสียบุตรสาวหน้าเรี่ยผกูมาทัน <c oughs> เๆแต่หนังมาบริเลนจ้าเกลือจนทุกข่าบวดไม่ได้เสียหน อ, ยอ า, าดาวัน มองออมุดสินหาเมืเมมเ่อเสดายอยากร่องระมุดสินหาเมื่อเสดาอยากคือเอาไวอยากร้องเอาไวั้งหมดเยอะเดีย ว, ยวโงในพภพในในภพธรรม ว, ว่าอวิชชาอาวิชชาแปลว่ามันโมเป็นวิชชาอาวิชชามไม่รู้ในทุกไม่รู้ในเหตุเกิดทุก ไม่รู้ความดับทุกข์ไม่ไม่รู้ทางดําเนินในถึงความดับทุกข์ไม่รู้อดีตไม่รู้อนาคตไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตด้วยโยงใส่กันไม่ไม่รู้สิ่งที่เกี่ยวข้องกันเป็นสายเหมือนลูกโซ่พระโพธิเจา้าคําสอนไ ด, ได้ในใจรักษามัน เม่ใก่ข้ามส้อนแล้ว ก, ก็เจ้าดอกามอนแล้ว ก, ก็ไเจ้ามันเป็นรราเชปตยเมื่อเงินไปชาเชาื่ปตยเมื่อเป็นโรกาเชืปตยเมื่อเป็นราชเาาชาื่ปตยเมื่อเป็นอัตตาเทปตยอัตตาเทืปตยความเห็นตนเป็นใหญ่อันนี้ก็บอแเราชเชปตยความเห็นพระราชาเป็นใหญ่ก็บอกเอง ประชาธิปไตยความเห็นประชาชนเป็นใหญ่ก็ประมาณโลกาที่ปตยความเห็นโลกเป็นใหญ่ก็บระมาณธรรมาธิตยตยเห็นธรรมเป็นใหญ่เลยเหตุนั้นเราจรึงเคารพธรรมอ่างยิ่งทีเดธรรมาธิปไตยผู้ใดเอาไปพระเชิดบกฤทธ์บกเลือกสรนวัฒ น, นะด้วยผู้ใด เ, ว, เว้นก็บกเลือกสรนวัฒนะคือไฟผู้ใดลวงละเมิดไปจับก็บกเลือกส้นวัฒ น, นะ จับหน่อยก็ห่อนหน่อยจับร้ายก็ห่อนหลายหรือลมโคตรคุ้มท่านเพิ่งลมน่อยก็ห่อนหน่อยลมร้ายก็ห่อนหลายเมื่อเหล็กสันวันละอุปมาคือเหล็กฟ้าวัเบอร์ผู้ได้เหล่ยนร้ายชิ้ฟ้ายร้ายผู้ได้เหล่นน่อยชิ้ฟ้ายหน่อยอันอื่นก็คือกันกทรทารักทารกพูดเสียงใดตามกันเดียวกันเว้นก็คือกันผู้เว้นน้อย ก็เห็นสุขหน่อยผูเ้เวรร้ายก็เห็นสุขหลายผู้เวรขาด้ลยก็เห็นสุขเลยมึงมีเวรนีภัยมาทางนั้นเพราะพระเจ้าสอนไม่เหตุไม่ผลว่ามันสอนเข่าข้างตัวเอาท้ำเป็นดิง่งสร้างใหม่คือกันสิกีมพะแนกกรตามถิ่มดิง่งถิ่มมาได้ตั้งเสาเจาดิ่งมาก เราลงไปทางที่ตะวันตกมนออกที่เนื้อที่ไตลงไปทางเสลียงจังไหนเอาดิงา้งว่านักกับุปใส่ดิ้งโลยเช็ดคอรอแล้วเลยฉันได้คือกันรกดไม้กดงูกดพักดพกดปวดตั้งขึ้นมองมั่งมองคำสอนของผู้ใจเจ้าไปบอหลอดคือกันอหอยสังเกตผู้ใดมาโดยทางที่บอสอบบงโูไปบอหนานเดี๋ยวกั น, นับสิบบลูก ผนของกรรมมันตามเนี่ยผนของกรรมโมไม่ก็เพราที่พระพุทธเจ้าคือกันเนี่ยใหท่านสั่งพระทธเจ้าจะยืนยันนะอันนูตารังนะย อนุตรังคุญยาเขตังโลกัสสาติเป็นนามบุญของโลกไม่มีนามบุญอื่นยิ่งไปกว่ารสัจเทวมนุษย์สานเป็นผู้สอนของเทวดาเทวมนุษย์อะไรทุกยุคทุ ก, ก, ก, กสมัยด้วยเมื่อใดโลกราวพ่ระบวกันเลยพระพุทธเจ้านั้นน่านจึงเชืมาราล์ตีจึงเชมาเทียหนึ่งรานตีในเมืมนุษย์จึงเชื่อมาเทียหนึ่งก็ตาม เพาะมักสงสอนคําสอนอันเดียวกันเพราะมันดีเพราะเนี่ยผมมีแนวแก้ไขสอนโลกโลกก็ามีทูรู้แจ้งโลกอนุสรโรเยี่ยมบุริสาสรรมส า, าสถิตตุคนตุคนดีแล้วจึงนุดผู้อื่ น, นนัท้าเทวมนุษย์ต่างันเปู้สอนของเทวราแลชม น, นุษย์ต่างหลายเป็นเพียงแล้วบอกทราบโลกก่อนทราบไปก่อนทราบแล้วว่าว พะจะเป็นการว่าการเนืองพระไม่สอนว่าสอนเมืองก็ไปสอนผีตัวไดอะไอันใดอะไรข้องสจะจะอนแล้วก็จะเจาะสอนละเอียดลอยครับสอนในระหว่างโยมกับพระื่อกาอยากรรมคือทําอะไรอะไ ร, ะไรประกอบด้วยเมตตาโดยสติทำสติพูดอะไรอะไ ร, ะไรประกอบด้วยเมตตา ดยว่มโนกรมคือคิดอะไรอะไรรกอบด้วยเนี่ยสามสี่ว่าทำเป็น่วกอรศตรูคือห้ามแมเข้าบ้านเรืยนถ้าด้วยให้อารมณ์สียดายทีเ่เสยสมองแรับรบำเหน็จทีน่แล้วย่อมอนุคระ์อุบาสกอุบาสิกาโดยสถานห้าหนึ่นนนงห้ามกระทำใจชื่วจะให้ตั้งอยู่ในความดีสามอารมณ์ถ้าข อ, อ, อน้อมถ้าขอบารมีน้อมจนไม่เสียดา ย, ย, าดยเม่อแม่เสียน่า ไม่เสียดายอยากสถสตสาราอื่นไม่เสียดายอยากสถิอยู่ยงคงกระพันไม่เสียดายอยากสถิตมนุ์คนละคาถานอกพระพุทธศาสนาไม่เสียดายอยากสถิตหลุดดีงามดีไม่เสียดายอย่าขคาถาี่ยงกับหามข้าขายกระเจงเลยแม่ศักด์ชื่อพ่อข้าพเจนนะหามข้าขาย้ามอข้าขายยาพิษ ไม่มีพระโุตตาวบัณฑเลยสิ่งไหนทีน่เราเสียใจาร้องระเวดสิ่งนั้นมีก่อไมหนักใจสิ่งนั้นมีก่อหนักใจทำไมจึงเสียใจอยากร้องนะเวเพราะเห็นว่ามันจะเป็นประโยชน์เรื่องขอยังเป็นมิจฉาทิฐิอยู่ส่วนผู้สัมมาทิฐิแล้วเป็นธรรมกันย่องก้นของพุทธศาสนาอาจารย์ยังพูดต่อไปอีกเป็นทางเสิดหายไม่มีซานอุทรเลย การร้องระเบิดเส้นงห้าก็เป็นมนุษย์นิบัติก็เป็นสวรรค์นิบัติก็เป็นพรหมนิบัติก็เป็นยมสานนิบัติจักภาวนาเก่งสักเพียงไหนก็ตามตลอดวันตลอดคืนเจ็ดวันเจ็ดคืนก็ซ้มติดติดกันถ้าเสียดายอยากร้องระเบิดเสียห้าอยูก็ไม่ใช่สระโสดาบัน เป็นบุญเพียงโลภีไม่ใช่บุญโลกุตระถ้าเสดายอยากรอดแล้วก็สินอบายยมุกอยู่ก็มอนกันก็ไม่ใช่พระสุวบัณเป็นเพียงบุญโลภีแต่ก็ยังดีกว่าไม่มีบุญอยู่สิ่งเหล่านี้เป็นหน้าที่ของชาวพุทธจะรู้ทั้งนั้นถ้าอย่างนั้นก็ปฏิบัติลำบาก ไม่เสียดายาจะสาแก้งท่านผูน้ใดสอนพระสอนอย่าสอนเรียปล่อยกอย่าโน่มมนะอย่าโน่มการครบมิตรก็สอนมิแค่สีจำพวกมิมีอุปการะมิเรื่องุขเร่อมทุกมิแหนสลดมิมีความรักใคร่มิสีจำพวกนี้เป็นมิตแค่สอนครบหนึ่งมิตรมีอุปการะมีรักษา ส, สีมีป้องกันเคื่อนตัวมาแล้ว สองกองการทรัพย์สมบัติของเพื่อนผูวมาแล้วรับามเมืมรัยไรเอาเป็นเซตุ้ง ท, ท, ทำนักได้สีเนี่ยมีสุระช่วยออกพห้เกินกว่าที่ออกฝ่สาสองเม็่ำสุขร่ำทุกมีรั ก, การาสีหนึ่งขยายความรักของตนแก่เอื่อนสองตความรักของเพื่อนในแฟนพายสไ ม, ม่ลื่อถงในยาวในบัตรสี่เนี่นยคึดก่ออาศระเงินได้สามเม็และประโยชน์มีลักษณะศีหนึ่งห้ามกระทําความชั่วสองสร้างเหตุความดีสมอนุเคราะห์ด้วยน้ำใจอัน ง, งามสี่ บอกทางสวรางให้นิมิตรมีความรักใคร่มีลักษณะสี่หนึ่งทุกทกระทบด้วยสองสุกก็สุกด้วยสามโตเสียงคนเพื่อนเพื่คนที่สืบเพื่อนสืนสนนส่รับรองคนพูดปเปนเสียงเพื่อนนิสีกจำพวกนี้เป็นนิแค่ควรครบที่มีอยู่สิบหกหอกนิสตเตอร์รูปคือคนรจำนิสในควนครบทหนึ่งคนปลอกลอกสองคนดีแต่พูด สามคนหัวกระจกสี่คนชักัวนในทางคิดผายคนสี่กําทิศอีคนสี่จังพวงนี่มันมชนิดเป็นแต่คนเชื่มิดไม่ควรครบหนึ่งคนต่อกลอกในรักสนั่งสี่หนึ่งคิดเอาแต่ได้ฝ่ายดีสองเสียให้เพื่อนน้อยสาคิดเอาขอเพื่อนมากถ้าเมื่อมีใครแก่ตัวจึงนักทํากิจธระช่วยชื่อนก็ อ, อยากขอทางค์สี่คบเพื่อนเพราะเห็นประโยชน์แต่ประโยชน์ของตัวสองคนนี้แต่พูดในลักสนั่งสี่เากควรครบ หนเ่งจะเอกของล่วงแล้วมาปลาใส่สองอ่าเอาของทสียงไม่มีมาปลาใส่เพื่อนเพื่อนเพื่อนเพื่อนให้เงินจักรร้อยบาทด้วยโว้ยตะกอนนี่อยู่เดียรนี้พวมี่อ่าเอาของที่ยังไม่มาบาทมามาปลาใส่เออเดียร์นาตะกเพื่อนก็ค่อยเอาเงินเดือนออกตะกอนสว่างสงเคราะห์ด้วยสิ่งทีประโยชน์ไม่ได้ออกปากเพค่ยไม่ได้สัตว์สิ คนพอกระจกมีลักสนันสี่กม่ควรครบหนึ่งจะทำดีมันก็ค้อยตามสองจะทาชัว่วมันก็ค้อยตามสามต่อหน้าว่าสารเสริดสีรับหลังตั้งในท่าสี่คนชักชวนในทางคิดผายมีรักษณะ่นสี่ก็ไม่ควรครบนรหนึ่งสักชวนดื่งน้าเมาสองสักชวนเตี้ยวกลางคืนสามสักชวนให้เมาเมาในการเล่นสี่ักชวนเล่นการพนัน อันไหนอันท่านก็จว่าบอกมันแบบนี้อีพอยเนี่ยเอ้ยแบบหอดไปขี่ไปเงี้ยวเธอเข้าไปในห้องถ่ายเธอต้องกระแอมเสียงเสก่อนเนอะผู้จะไปก่อนก็ต้องพาดผ้าไหมเห็ุไว้ผู้จะไปทีหลังต้องกระแอมเสียงถ้าผู้อยู่ข้างในไม่กระแอมตอบเกณฑ์หน้าบัตรทุกกฎไม่ไหวแต่คนหัวหนวกคนหนึ่ง เงี้ยหลวงพอพุทธเจ้าอย่าไปเปิดประตูให้ตึ้งตังเน้อให้ระมัดระวังออกมาข้อไห้ล่างให้ให้ดีอย่าทำจอกประปกให้ผู้อยู่ข้างหลังหนักใจพระเจ้าไว้วัดทุกบทเธอขึอ้นไปบนกุฏิวิหารเธอร่างเข้าให้ดีเน้อร่างเข้าแล้วเช็ดไมด่ดีก็เป็นรอยนี่วเข้าถ้าเช็ดเข้ า, ใ ห, าให้มันตาให้มันซัดเน้อ บอกว่าเธอไม่ันไข้อยากไปยืนถ่ายอุจระถ่ายอุตจระถ่ายปัสวะน้เธอไม่เปนไข้อยามไปไปถ่ายอุะถ่ายปัะม้วนเสจละลงในของเขียวเธอไม่ัป็นไข้อยากไปถ่ายอุระถ่ายปัะม้วนเสจละลงในน้ำทะเลได้เห็นอไรไปทลมันจาเป็นเน้นายปลอยลงาหันอ่ามันจำเป็นมันไม่บรทายเด้ นี่แน่วไหนเนี่ยพระองค์เก้าว่าบอกเม่ยบ่ห้อยมือเข้าแล้วแตักน้าไม่พ้นกิ่นหมดสาตกระซัตร่อมเ่่ยสระมา่่่่่่่่่ส่่่่่อ่ออ่่่่่่า่่่าส่รพระองค์เ่่าเ่่่่มน่่่่่่อ่นนดิน่นิ่่่่่่่่่่่่่ิ่่่่่่่่่่่่่่เ่่า่าีา่่่่่่่่่่่่่่า่่่่่่่่่่่่น่่่่่ท่่ท่่าา่่า่่่่่่่่่่ว่ออ่่่่่่่ ชาเป็นพระเวชสันดอนท่านลูกท่านสางท่านมาเนี่ยแล้วเก็บถอยเก็บถอยแล้วจกรกมห า, า, า, า, า, าท่านเศ้าแต่าศร้าคนไรหนีคือมาลายค่านี้จังไหเอทับสมบัติของขา้าว่มของราชสว่างเนี่สร้างตนเกิดด้วยบุญขา่าวเออมาลายค่านี้ ข, าข่ากับรไฟัะเมีย ไปโยเขาที่งงนงก็ขุดคนปูยาไม่อยากให้ไปน ะ, ะ่านปูนาพราบรมศรีสอนทรกำลังพุทธเสด็จจะไปไหมท่านน้า ม, มันที่เอ้ยจะสุไฟไหมท่นลูกไผ่จไปขยาดอกนะท่านหายไปแต่พระเวทชันดอนไหนบ่าน้าลูกบุยูหน่นลูกที่ไปน้ำเพินไหมนะ่น ไปน้ำมานี่ยท่ามไปน้ำท่าดีละเฮาจิตจะไปสร้างบารมีในน้ำหมดที่เยอเลยกันเขาไรเฮานี้เฮากันนี้ยกันกบห้องเฮาอั้เฮ า, าท่านว่าด้เอาของรักมาท่านเ่าจนว่าสร้างคำมันเกิดก บ, บุญเฮาอันีไปดูไปดูแบบท้ามตัวนึ่องไปนําไปขอน้าไปขอลูก สมัยนั้นพระทาเลวุติเป็นเป็นอจุตระศีพระอานนท์เป็นาา น, น, ป น, น้าผ้าเจตบุตรพระโมคคล่าเป็นผู้หมอดูโหนดูยัางาะถือเสยศาสตร์อยู่สมัยนั้นมันปี๊บเป่าบันดังไก่สิหรอก นันามมันติเต็มติปามันดังติเต็มมันมาดังเลยติปาว้รอกมันดังอันนี้มันแปลที่สามแป3ที่สามอย่างอันยุโลวงไปได้ว่ามันอันยุเล็กเลยจะเพื่อพรกันรมกเล็ดเนี่ยพระผู้เล่นเล็กสู่เขารักษาศีนหายิวันบ่ได้จะพระธรรมปร่นเล็ดเนี่ ออ scale, มิอฉา ICO มันใช่สมา ICO อบายมุกทุกประเภทมันเป็นมนุษย์นิบัติมันไม่ใช่สวรรค์นิบั ต, ไบติไม่ใช่พรหมนิบัติไม่ใช่นิพพานนิบัติเว้นอากาศวายอบายมุกทุกประเภทมันจึงเป็นมนุษย์นิบัติมันจึงเป็นสวรรค์นิบัติมันจึงเป็นพรหมนิบัติมันจึงเป็นพระนิพพานนิบัติกดหมายกดหมู่กดพักกดพวก ตั้งขึ้นถ้าเปิดเปิงอบายยมุกมันก็ไปไม่รอดหํามหันอบายยมุกตีกขวางมันจึงจะไปรอดโลกชาวโลกชาวโลกเปิดประตูอบายยมุกมากวนนามานอยู่ทุกยอมยา่าก็เพราะอะไรก็เพราะอบายยมุกนั่นเองอบายยมุกทุกถุมในโลกามนุษย์สารเกเขุยจากธํา คำสอนของพระบรมศาสดามีค่าล้ำนราชนหยียบย่ำตีเป็นเลขเป็นผาก็ต้องคิบหายตั้งเทวดาเนี่มนุษย์อีกด้วยคำสอนพระพุทธศา ส, สนาไม่ส่งเสริมอบายยมุกเกลยเหตุนั้นจึงเป็นมนุษย์ปฏิบัติจึงเป็นมนุษย์สมบัติเต็มภูมเลย จึงเป็นสวรรค์สมบัติเต็มภูมิจึงเป็นพรมสมบัติเต็มภูมิจึงเป็นมิพานสมบัติเต็มภูมิจึงยืนยันว่าสัทธาเทวมนุษย์กาณังเป็นผู้สอนของเทวดาเนศมนุษย์ทั้งหลายครบหมดแล้วศักสังฆ์ักพยัญชนงเทวราภิริภูณังปริสุทางพรประจัญญังประกาศเสสิบริบูรณ์ทั้งอัตถะทั้งพยัญชนะสิ้นมเสืแล้วไพละในเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุด เบื้องต้นคือทานศีลคือฐานเบื้องกลางคือศีลเบื้องท้ายคือภาวนาเบื้องต้นก็คือคนณิกะสมาธิอุปัฌาสมาธิอัปนาสมาธิเบื้องท้ายเบื้องต้นก็คือสุภสิปปโนเบื้องกลางก็คือสักขาการมีอนาคามีเบื้องท้ายก็คือพระทหารเมื่อได้บูญหมดแล้ว คำสอนใดๆในใจโลกธาสตุเป็นเมืองขึ้นคําสอนพระพุทธศาสนาหมดเข็มทิพจะมีกี่ล้านล้านกอดกล้าสอนใดไมก็เป็นวงน อ, ง, น อ, อนนวงขึ้นคําสอนของพุทธศาสนาโดยไมไ่รู้ตัวฉันนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกไม่ขึ้นอยู่กับผู้รู้และไม่รู้ไม่ขึ้นอยู่กับผู้เชื่อได้ไม่เชื่ออนนริยสัจจังอันนี้จริงอยู่ไม่มีกลงางวันกลงคืนเลยเทียบในทางลึก น on ั่ให้น้องคอเมืองบางต่างๆไล่ลงสู it, no yes? ่มหาสมุทรทะเลโดยไม่รู้ตัวชั้นใดคําสอนใดก็ไล่ลงสู่คําสอนพระพุทธศาสนาโดยไม่รู้ตัวชั้นนั้นไม่พูดอีกก็จริงอีกอะไรสัตย์จริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนใครจะให้คะแนนหรือไม่ใครใคให้คะแนนก็ตามความจริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับผู้ให้คะแนนแลือไม่คะแนนจริงอยู่ไม่มีกลางวันกลางคืนพูดตามเป็นจริงพูดวันยังค่ำก็จริงวันยังค่ำพูดไม่ตามเป็นจริงพูดวันยังค่ําก็ไม่จริงวันยังค่ำนั่น คำสอนพระพุทธศาสนาเป็นคำสอนที่ไม่มีดําเอียงลำเอียงเพราะความความรักใคร่กานเลือกฉันทาคติลำเอียงเพราะความไม่ชอบการเลือกโทษาคติลำเอียงเพราะเขาเอยากโมหคติลำเอียงเพราะกลัวเอยากพยาคติอคติสี่ประการนี้ไม่มีมีในพระพุทธศาสนาเลยลำเอียงเพราะความรักใคร่กันเลือกฉันทาคตินั่นคืออย่างไรบ้างหนึ่งเรารักมัน สงสารมันมันจะทําถูกสักเพียงมันจะทําผิดสักเพียงใดก็ตามก็ต้องเอามันไว้เรียกว่าฉันทาคติเพราะความรักใครกันลำเอียงเพราะความไม่ชอบการเรียกโทสาคติมันจะทําถูกสักเพียงไหนก็ตามมาให้คะแนนมันเพราะรังเกียจมันเรียกว่าโทสาคติแลำเอียงเพราะกลัวเรียกพยาคติคือยังไงกลัวอานาจวาสนาคลองมันมันจะเอาทางมืดมาใส่อ ก็กลัวเรียกว่าพยาคติแล้วเอียงพวกเขาอะไรพั บ, รบขบคดีในเรื่องนั้นไม่แตกพ่อโง่พวกเขาเขาเรียกว่าเคลื่อนพยาคติแล้วคติสี่ประการนี้ไม่มีในพระพุทธศาสนาเลยพระสมานเจา้าพุทธเกล่าการจะทําทอะไรอะไรก็าตามไม่มองดูเข็มทิศไม่มองดูกล้องจุทัศน์ไม่มองดูเครื่องวัดเครื่องตวงไม่มองดูดิ่งไม่ไม่มองดูระดับน้ํา มันก็ไปไม่รอดถ้างก่อสร้างสักเถียงสักเพียงไหนก็ตามถ้าทิ้งดิง่งทิ่งระดับน้ําทิ่งเครื่องวัดเครื่องตวงก็ไปไม่รอดเครื่องวัดเครื่องตวงและดิ่งระดับน้ํำในที่นี้หมายความว่าไม่ใช่ดิ่งโกงไม่ใช่ระดับน้ําโกงฉันในก็ดีเพืจะตั้งหมดกฎหมายขึ้นไม่มองดูคําสอนพระพุทธศาสนามันก็ไปไม่รอด ชาวโลกที่ส่งเสริมปีนเกีย่ยวใบายมุกไปรอดไม่มันก็ไปไม่ไมรอดวนระเวงทุกอย่างยาใช่ไหมถ้าชาวโลกมีศิลหะบอรลีบูร์หมดนับแต่รู้ดีรักษาไปทหารก็ไม่ต้องมีตำรวจก็ไม่ต้องมีคดีดําคดีแดงในโรงในศาลก็ไม่ต้องมีรบราค่าฟนันกันก็ไม่ต้องมี กฎหมายก็ไม่ต้องมากต้องไม่ต้องตั้งมากตั้งเพียงกฎหมายเกี่ยวกับภาษีก็พอแล้วจะเก็บภาษีเท่าไร่ก็ตั้งแต่เกี่ยวตั้งแต่กฎหมายเกี่ยวกับภาษีก็พอแล้วนะชาวโลกนี่ชาวโลกปีนเกลียวพระพุทธศาสนาส่งเสริมอาวัยวะมุก การสรงเสริมอวาัยวมุกก็คือปีนเกลียวพระพุทธศาสนาก็คือปีนเกลียวความเจริญก็คือไฟเผาโลกนั่นเองนั่นนั่นนั่นยืนยันในสิ่งที่สมควรยืนยันไม่เป็นมานะทิศผิดก็ต้องยืนยันว่าผิดถู ก, ก็ต้องยืนยันว่าถูกมันจริงมีประมาณได้ มิตดีสหายดีพ่อดีแม่ดีครูดีอาจารย์ดีตอนไหนถูกก็ส่งเสริมตอนไหนชั่วก็กีดกันไม่ใช่ว่าทำดีก็ค่อยตามทำหน้าทาชั่วก็ค่อยตามต่อหน้าว่าสันเสริมรับหลังตั้งเดินทาในพระพุทธศาสนาไม่ส่งเสริมพระพุทธเจ้าองคนไหนมาก็มาสอนอันเดียวกันไม่รบร้างพอรอบอรกันเลย จะมีเกียล้าล้านพระองค์ก็มาเป็นยุคเป็นยุคล้านล้านปีจึงมาคราวหนึ่งก็ลงเอยอันเดียวกันหมดไม่ลบล่างพอรอบอกันเลยเพราะมันถูกแล้วเป็นธรรมมาที่ประใยอย่างเต็มภูมิพรอบทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติพรสมมัตินิพานสมบัติบริบูรณ์แล้วถ้าปีนเกลียวออกจากอันนั้นก็มนุษย์วิบัติสวรรค์วิบัติพรมวิบัติอนรละมานอยู่ทุกยามย่าอีพ่ออีแม่เออหนา ไม่พูดอีกก็จริงอีกสิงไหนที่มันจริงไม่พูดอีกก็จริงอีกยิ่งพูดก็ยิ่งจริงสิ่งไหนที่ไม่จริงยิ่งพูดก็ยิ่งไม่จริงถึงไม่พูดก็ไม่จริงอยู่แล้วยิ่งพูดก็ยิ่งไม่จริงสิงไหนที่มันไม่จริงเรียกว่าอริยสัจจังทำทั้งหลายมีอยู่ก่อนเหตุนั้นพระพุมศาคตราจึงเขารบธรรมเราก็หน้าสงสารชาวโลกเหมือนเหมือนกัน หน้าสองสารตัวเราเอกเหมือนกันฝนตกขี่มาไหลค้นจังให้มาร่วม <c oughs> กันในโลกอันนี้แม่หมอ <c oughs> มีนวยแก้วย่องยู่บนหัวจึงบง่อฝงโชรี่หมอดิไหว้วางเมียนก็คือคุณพระพุทธธรรมพระสงฆ์อยู่หัวใจพระพุทธ ก็ทำประสงค์พระพุทธเจ้าเป็นการบ้านเป็นการเมืองเป็นการสวรรค์เป็นการพรหมเป็นการนิพพานเป็นขั้นเป็นตอนไปบริบูรณ์แล้วสัตวถังสัพยัญชนะสังเจวระผลิตปุณางพระศุทธิทางพรมจอย่างประกาศเสียสียเมื่อได้ทั้งอัฏฐสทั้งพยัญชนะแล้วธรรมหามปะกวันตังอิปุสยามมตธรรมหามปะกวรรณตังสิเดสานะีิจึงยอมกราบไหว้ไม่ได้กราบไหว้ด้วยแบบโง่ สัทธาเทวมนุษย์สานังเป็นผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเต็มภูมิแล้วไม่กระด้างกระเดืองเลยพระพุทธศาสนาทำไมพระพุทธศาสนาไม่กระด้างกระเดืองเพราะทำเหล่าใดที่พระบรมศาสดาไม่ส่งเสริมผู้นั้นไปล่วงละเมิดก็ผิดจริงจงเหตุท่านท่า น, นจึงไม่กระด้างกระเดืองพระพุทธศาสนาสีหานาทังนาทาเกเกันเจเจจึงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นสีหานาฏ พมจักกังประวัติเตนติโลเกอปฏิวัติอย่างในพมจันในโลกทั้งปวงอย่างพึงไายเลยพระพุทธศาสนาร่วงไปแล้วก็ตั้งร้านๆพระองค์จะมาอีกครั้งหน้าก็ร้านๆพระองค์ส่วนพุทธบริษัทบริวารของท่านก็ยังไม่นับถึงอย่างนั้นมาแต่ละยุคละยุค ก, ก็ได้เพียงเขาโคเท่านั้นส่วนขนโคไปไหนส่วนขนโคก็ว่าไว้ให้พระพุทธเจ้าองคหน้าเรื่อยไปไนั่น ทำไมจึงมีปัญหามากเพราะความเชื่อในะว่าพุทธศาสนาไม่พอขาดปัญญาปัญหาก็มีมากสิถ้าว่าความเชื่อพระพุทธศาสนาพอแล้วปัญหาก็ไม่มากลงมือปฏิบัติเท่านั้นตามเสถียรกาลังของตนถ้าว่ารับที่อื่นเหนือพระพุทธศาสนาไปอย่างนี้ปัญหามันก็มากมันก็ไม่ลงมันก็มันก็ฝืดหวัวใจเหมือนรากไม้ทางปลายทําไมจึงเป็นอย่างนั้น เพราะยังเป็นเมตชาทิฏฐิยังเห็นไม่ชอบอยู่ยังขบพระพุทธศาสนาไม่แตกสำคัญว่าพุทธศาสนาด้อยไม่ทันสมัยเขาพุทธพระพุทธศาสนาลดตำแหน่งทางกิเลตลงด้วยแต่พวกเราวุ่นวายแต่วัตถุนิยมจะปีนเกีียวพระพุทธศาสนาสักเพียงไหนก็าตามดิ้นใส่วัตถุนิยม กินทั้งทั้งเอื้อมกินไม่เลือกแต่ว่าเจอกล้าไม่พูดใชยแล้วนักทุนิยมเราก็ชมม่าดีอยู่แต่มันอยู่อยู่ใต้อู่ของอเนจังได้มาในทางที่ชอบก็จริงแต่ขอให้รีบเร่งปฏิบัติเพื่อพ้อนทุกข์เสียเน้อบรมศาสตรนาไม่ได้จบอยู่อย่างแช่นนั้นได้มาในทางบริสุทธิ์ก็ยังไม่ให้ติดอยู่อีกเสียด้วย พระ อ, อยู่ใต้อำนาจอนิจจังเกิดขึ้นแล้วก็แพร่ผลได้แต่สล า, ายวัตถุนิยมภายในคืออะไรคือตาจมูกหูจมูกเลี้นงกายใจวัตถุนิยมภายในวัตถุนิยมภายนอกนนอ ก, ก็รูปเสียงกลิ่นรสปวดสะพัธรรมารมอยู่ใต้อำนาจอนิจจังทางนั้นเอาละทีนีน้เข้ามาให้พคตมากจิตรวมจิตรวมลงในผวังแผ่นดินไหวอะ แต่ว่าจิตขั้นนี้เกิดดับเป็นเหมือนกันถ้าตายคานี่ก็ไปเกิดพรหมโลกยังไม่พ้นทุกข์ไหมว่าตาสงสารเสียงตูมันมันก็เกิดดับเป็นเหมือนกันอันนี้คือจิตรวมในผวังผวังก็แปลว่าพบเหมือนกันแปลว่าพบในสมาธิพระโอภวพรพผวังตัวนี้เป็นพอทั้งเผ่าพระโอภว ะ, ว ะ, วะวปัจจโยยังมีปัจจัยแะได้เกิดแก่เก็บตายอีกอถ้าตายคานั้นก็ไปเกิดพรหมโลก แต่ว่าหมดอายุก็ลงมาก็มาสร้างบรัรมีอีกเหมือนกันระเบิดตูมลงนี่ตัวนี้ก็เป็นเป็นพระอยู่ตัวนี้ก็เป็นก่อนที่จะมาบวชก้องล็อกปูเพราะระเบิดตูมลงอเลยลมให้ไกลเข้าออกมันรวมลงจนถึงแผ่นดินไหวเราสองพันสีร้อยแปดชั่ว้าเราภาวนาสองพันสีรอยปดชั้าเราภาวนาระเบิดตูมภูเขาทางลูกกระเทือนหมดกระเด็นขึ้นภูเขาทางลูกภูผาน ภูผามันใหญ่โตของฐานเนี่ประเทศไทยพวกเขาทั้งลูกกระเด็นึขึ้นเลยเราก็กระเด็นขึ้นด้วยลมออกเราก็ไม่ตามลมเข้าเราก็ไม่ตามลมไม่ผ่านหอลอดลมจะไปที่ไหนจิตเขาแล้วก็จับอยู่นี่เลยลมหายใจเข้าเขจับอยู่นี่ลมหายใจออกเขาจับอยู่นี่ไม่ตามมานี่ไม่ตามออกนี่แล้วเบิดตูมเลยนั่นแหละจิตรวม สมาธิชั้นนี้ยังอยู่ใต้อำนาจอันิจังเนอ้อบุญชั้นนี้ยังอยู่ใต้อำนาจอันิจังยังเกิดดับอยู่เหตุนั้นพระบรมศาสตรายังสอนมาให้ยึดมั่นถือมั่นผู้รู้เป็นตกข่าวรู้ผู้เห็นเป็นตกว่าเห็นทำชั้นสูงเพรนั้นตาข่ารู้เป็นสตกว่าเห็นไม่มีมานะทิฏฐิใ น, ในผู้รู้และผู้เห็นเลยอธิคืออะไรคือผู้รู้ที่ลงไปแล้วอนาคตคือผู้รู้ที่ยังไม่มาถึง กับเจ้าั้านเจ้าผู้รู้ที่กำังจะน่มเป็นพระสขรู้เนี่ยยไปยึดถือว่าเป็นเราเป็นเขาเป็นสัตอ์เป็ น, นทุกคนผูรู้เกิดขึ้นแล้วกาแฟควรด้ดับไปเกิดดับอย่างละเอียดเนี่ยูู้หาระหว่างไม่ได้ติดกันเป็นพืชเราก็พิจารณาลงสู่อันนี้จังสินั่นคืออันนี้จังล่วงไปแล้ว ละเอียดถึงเพียงนี้ยังเป็นอันนี้จังอยู่สิงใดไม่เที่ยงเสียงนั้นเป็นทุกอันนี้ก็เป็นทุกอันละเอียดเหนั้นกันถ้าเราไปผวองเสียดายหรือตกใจมันก็มันก็เป็นทุกข์อีกเหมือนกันก็ไม่ว่าแต่เสียงตูมคราเนี้่ะฟ้ามันรอกมันก็ตูมเหมือนกันว่าเนี่ยเราก็พูดไปอย่างตูมไปแล้วมันก็ล่วงไปแล้วนะฟ้าแลบก็เหมือนกันแลบอย่างนี้มันก็ล่วงไปแล้วน่ะแลบๆๆอย่างนี้ก็ล่วงไปแล้วอันนี้จนเป็นพืชตีกันอ่ะมันดับเร็วมากเกิดดับเร็ว เราก็ชักมองสู่อันนี้จังถ้าอย่างนั้นจิตใจเราก็จะสงสัยได้ในโลกล้วนอันนี้จังได้ในโลกล้วนกขุขังได้ในโล้ ว, ลวอนอนัตตาอย่าสงสัยเลยลนาะทั้งอดีตทั้งนาคทั้งปัจจุบันด้วยมันต้องมีหลักอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวมันก็จะไปะคุกอันนั้นตคุกอันนี้คุกอะไรก็ไปตะคุกสังาหารน่ะมันก็เท่ากับไปกำแดดกำลมเลพราะมันล่วงไปแล้วถูกไหม คำพูดเราพูดเดี๋ยวนี้ก็มันก็ล่วงไปล่วงไปร่วงไปล่วงไปล่วงไปนึกขึ้นนึกขึ้นก็ล่วงไปนึกขึ้นก็ล่วงไปนึกขึ้นลงไปพอนึกขึ้นแล้วก็พูดก็ล่วงไปล่วงไปล่วงไปนะพอเราบัญญัติอาปัจจุบันมันกลายเป็นอดีตนะนล่วงไปซึิงหน้านี่คืออนิจจังได้ได้ในรกวัตอนิจจังถ้าได้ได้นรกวัตอนิจจังแล้วเราจะไปสงสัยโลกทำไมเห็นอนิจจังสัดก็เป็นโลกแล้วความยินดีในโลกทั้งปวงมันก็เบาลงนี่เพราะมีแต่อนิจจังต่ออนิจจัง ตัวของเราทั้งหมดนี่ก็เป็นอนิจจังสมบัติพัฒฐานก็เป็นอนิจจังอนิจจังต่ออนิจจังจะมารักษากันมันก็ไม่อยู่มันก็แตกสลายไปด้วยกันนะที่นั่นเองถูกไหมเข้าใจเข้าใจเข้าใจอันนั่นก็อันเดียวกันละสว่าง uh. ไปแล้วมันก็สลายไปเหมือนกัน พรอาทิตย์สว่างอยู่นี่ไม่เห็นเกียรติของเราหายไปไหนเนี่ยนะอันเดียวกันอันนั้นเปนอำนาจของภาวนาอำนาจของภาวนาชั้นเดียวกันนี่พระพุทธศาสนาสอนให้รู้ตามมันจริงปฏิบัติตามามันจริงบุญพ้นตามมันจริงอย่าไปยึดถือเอาเราไปจะไปยึดถือเอาแสงสว่างมาเป็นเราเราเป็นแสงสว่างก็อันนี้เราก็ยึดถือเอาซีไปหอบเอาไปขายซี พรพุทธศาสนาสอนลึกหมนะครับสอนลึกึ่งขนาด น, านั้นหรแีเสียมาแตงคแตงใจ่ห้องหหเหาเหยี่รูดเท่าสั้งขานจนตัวตั้งหม้พระพุทธเจ้าสอนสัตว์เนี่ยรถตําแหน่งควมหลงหนงตัวทีมอบเอาหลงบวกหลงไปตลอดเลยคนเห็นรถตําแหน่งควมหลงเลยพระพุทธเจ้า มุง่งห้าวสิมาบืนหาแต่วัตถุนนย่อมนาเดียวสมผสมกระกติดอยู่ผสมะส์กรดีกระเสียใจเลยมัตถุในยอมมันสมผสม์บบมู่นี่มู่นี้มั น, มนถุผสมผสมอย่างนี้แบบวัตถุในย่อมทางไหนอ่ะแกเส็บตายนั่นนี่วัตถุนี้วัตถุนนย่อมทางไหนอ่างนี้ปรน็นก็นกงงังสมาสมอยู่่ะที่ไปว่าอยางอันทั้งนอกผนมันแห้งไก่ชะน อ, อ, ะอช่องเกืงน้เหมือเจิงกระพากไก่กะโดเข้ามืองกูไปเห็นแล้วององสันองสนงอันพระทหารพวกเดียร์เน่ยพกถแพรความล้มจักอง มือห้อจะฝึกแพ่เพ่พมหลงกับข้องเดือนกำลังจะกูา้าสตร์เมูห่อให้รู้ตามมันจริงปฏิบัติตามตามันจริงรุดพ้นตามมันจริงหยูทกมานเธอเนาะเอาสืถามเรื่บาตรนี่นะกันเพื่อนมอบให้มัดไปโรกธาตุเนความทั้งสวรรค์ทั้งพั้วมโรคสิเอาบ่พูดเดียวรูอเอาแม่นบอกตัวที่ตายนี้จากวันนู้มแม่นบอกมันกเิตายนี้จาตัวแนบอกนั่ง เอาวัตเจ้าว่าเอาไปวัตเอาไม่เอาหรือเปลานั่นเขม่สังขารหรืจะไปเอาจางไหนสังขารต่อสังขารสังขารต่อสังขารที่มารักษากันกัวชัญญาอเมื่อความตายมาถึงแล้วสกายเสตุงทะเลนวาวุฒคลไม่ใครถอนความตายในยด้วยเมล็ดมนรดกเลยรับมากรุติเจ้าโรคคือหมูสัตว์ชราพยาธินําไปใกล้ไม่ยั่งยืนโรคคือหมูสัตว์ ไม่มีใหญ่ไม่ไม่ไ ม, ไมีใครเป็นใหญ่กว่าใครจําเป็นก็ได้ทิ้งซากไว้ในแผ่นดินโลกคือมูสัตว์บกพ่องอยู่เป็นนิสไม่อิ่มเป็นชาติแห่งตัญหาแน่นอนหลงใจตอนไหนก็หลงทำตอนนั้นถ้าไมหลงใจตอนใดก็ไม่หลงทำตอนนั้นทาดีก็ทําให้ใจเพราะใจเป็นผู้ทํา ทำทั่วก็ทำให้ใจพระใจเป็นผู้ทาไม่มีใครมาแย่งทาเหตุทําผลเลยเหตุพืชกรรมผลของเหตุผลของพืชของกรรมก็คือใจเป็นผู้ได้รับเหตุพืชกรรมก็คือใจเป็นผู้สร้างขึ้นผลของเหตุผลของกพืชผลของกรรมเข้าใจเป็นผู้ได้รับตามส่วนคนค่าของเหตุที่ทําดีได้ชั่วจะไปสิ่งให้คนอื่นเขาก็มารับตาหูจมูกเรื่กายใจมันก็ไม่รับ ตาหูจมูกร่างกายมันก็ไม่รับไม่ปัดเสีอเลยก็ใจอันเดียวถ้ารู้เท่าใจตอนไหนก็รู้ทอทำตอนนั้นถ้าไม่หลงใจโดยประการทั้งปวงก็ไม่หลงทมตอนนั้นถ้าข้ามใจตอนไหนได้ก็ข้ามทาตอนนั้นได้ถ้าไม่หลงใจตอนไหนก็ไม่หลงทาตอนนั้นถ้าหลงใจตอนใดก็หลงทาตอนนั้นพระใจเป็นผู้สมมติขึ้นใครไปใส่ชื่อหรือนามห้ใจ ตาหูสมูกเล่นมันก็ไม่ไปใส่ชื่อหรืนามให้ใจใจไปใส่ชื่อว่าตาหูสมูกเล่นใจครับครับมันก็หมาว่าตัดเศษมันก็หมาว่ามีน้ำซ้ำไม่มีใครใส่ใครใส่ชื่ อ, อนามให้ตนตนก็ไปใส่ชื่อตนเองว่าใจใจใจใจถ้าไม่รู้เท่าใจก็เป็นทุกข์อยู่ที่ใจใจไม่นัน้นนั่นเอาละเอวังเลี้ยงหลายกันเยอะไป อืออืของตนแพ่ก็แพ้ความหลงของตนชนะอื่นไม่มีในพระพุทธศาสนาะมีแต่เวียนสนองเวียนไปสนองไปชนะก็ชนะความหลงของตนแพ่ก็แพ้ความหลงของตนชนะอื่นมีแดดอดินทมเถพระพุทธศาสนาไม่มาเอามาปนเปปนกันเลยแต่ชาวโลกเอามาผู้ช่ม่รูดตามเป็นจริงก็เอามา ราธนาแท้สอนให้ชนะตนเองปริศาธรรมสาร่าทีฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่นจึงไม่เดือดร้อนในภายหลังชนะตนเองแล้วจึงชนะผู้อื่นจึงไม่เดือดร้อนในภายหลังชนะผู้อื่นชนะตนเองก็คือชนะผู้อื่นนั่นเองชนะกิเลสตนเองก็คือชนะกิเลสผู้อื่นนั่นเอง พวกเราชาวโรกกระตือร่นกันทางวัตถุนยิยมแต่ส่วนกิเลสจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมัน <c oughs> <c oughs> เนี่ยก็รักเมียผัวก็รักผัว <c oughs> ถูกไหมมันก็ไปอยไม่รอดนะแข่ง <c oughs> ถ้าเราถ้าให้เราเป็นผู้ปกครองเราเอาทิ้งมดเนยระบายมุกเราทิ้งมดลวงลิเกละครทิ้งมด ลองบาลองบ้าแล้วก็ทิ้งวัดไม่เอามันทำให้คนเสียทำให้คนไม่มีศีลมีธรรมสิ่งไหนที่ส่งเสริมราคะให้จัดขึ้นกฎหมายไม่ควรส่งเสริมสิ่งไหนที่ส่งส่งส่งเสริมให้โทจะจัดขึ้นกฎหมายก็ไม่ควรส่งเสริมถ้าทากฎของธรรมไม่ส่งเสริมสิ่งไหน ที่ ส, ส่งเสริมให้ความหลงจัดขึ้นคําสอนพระพุทธศาสนาไม่ ส, มส่งเสริมแต่พวกเรายิ่งเอามารอกันเออลูกหลานมันเห็นยอย่างๆอันดีละลงบาลรองเออมันเห็นยอย่างๆอันดีลงบาลงม้าไปเสพไปสมให้มันเห็นแปดปีเจ็ดปีมันก็เสพสมกันในพวกบา้บาๆถูกไหมนั่นไปหัดเขาไม่ดี เรีวังโอ้ยพูดน้อยแม่พออธิบายพูดน้อยแม่พออธิบายพูดหลายกว่า น, นัดเดียวเขายิงตายนะยูเฮ็ดจินเนี่ยเฮ็ดหัวเฮ็ดสัวนในใเนี่ยไทยจะน่ า, าเนี่ยช่วยเฮ็ดตุวด้วยบ่จะเป็นเศียที ด, ดอ ก, กว่าฉัน เพชรในท่าที่สอบพระพุทธเจ้าว่าหามเลยคนหามก็อวบายจมุกกับพระพุทธเจ้าพุธาตาวียนเทติแท่นั่งคนมันยอมหาทรัพย์ได้ไม่จะหมายว่ามันเละเละเรีนผ้าเรียนว่าเรีนเบือเลยมันในท่งที่สอบเลยคนมันยอมหาทัพย์ได้ทั้งฝ่ายบวกก็คือกันได้ยกกับผู้มันผู้นึกผู้คิดผู้พิจารณาหาเหตุหาผล แม่พระโพธิ์มพระสง์คันเท้ายู่ทั้งโลกอะเท้าว่าด้เป็นเพศผีก็พอดีก็ปขอคนจินพอดีก็ไปรักคนนี่ที่เอาแต่งแ้่้ขอพ้นจีนก็รักคนหรอกว่เป็นเพศสีก็อะไรอันนี้ก็คื่นกันพระที่พระพุทธศาสนานกันขันห้ามันไ่ได้เป็นอันนี้อันนึงก็พามันเปียนนิสัยไปง้ยตัวนี่หายมันสาได้หรอบอก พูที่เจ้าสีมาหนีมาเขาไม่เหีนไม่ราบเน่ามหาสมุทรก็รธมหาสมุทรหมดมันจะไปน้ำองค์นึงก็เห็นไปน้ำองค์หนึ่งที่เป็นไปในภาคเราสัดเอารถคือตนตายก้อนไข่กดีคือเขาหนึ่งคือก็ง่ายงายมือนเขาสัน่นเขาว่าเจ้าสีได้เป็นเศรษฐีสมรซาตประเ็ศงานนี้ยัง อ, อึดยากตาย พุทเจ้าว่าอะว่าอิัชนความดีความชั่ว่าได้ขืนยุกับเหล่างามขืนยุบกับความปฏิบัติของคนว่ได้ขืนยุกับวันเดือนปีว่ได้ขืนยุบกับอายุสังขารหลวงพูสาวคนบ่ได้วาหลายเือ่่าดอกแ่่่่่ล่่่่านเ่่อ่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่่ห่่่่่่่่่่่่่มันเบาไป่่่ ทีว่างมาเพื่ไปอดไว้รอร้ายคือม่หอยม่หอยเนี่ยันก็จะชิคัดฟั้งท่นกล่าวไฮวาร้ายกนได้เลยสาหรับผู้ขาดก็ได้เป็นคนไม่โรคร้ายแนวอโรคหัวใจตีบตรงเลือดว่าท่านมเคื่อนเขาออกเียนมเคื่อน ใลกโลคุงทำดีเป็นหนูวเวเนไพเราเคารพรักเราไม่ได้รักทำอันมีเวนในไยเรารักทำอันมีเวนในไยเราไม่รักเราไม่เอาไว้เรารักทำอันทำที่ไม่มีเวนในไพเราสลัดออกอันมีเวนในไยเวนจะรักเวนะะก็พระไม่ผูกเวนจะรักใครก็พระไม่ผูกภัย มันมีในพระพุทธศาสนาสอนไว้ความทะยยอทยานในโลกทั้งปวงมันก็ลุกตัวลงมันก็นเนียวต่อพนอันิพงพานท่าไวดยเออใช่ไมีอเนยสงเสมอกันในพระพุทธเจ้าวันว่า พระรพุทธเจ้าบรรญัติอะไนะพระเวน่ายพิโกพิกษูสัมเนศป่วยเพื่อเพื่อใดอยากปฏิบัติเท่าใน้ปฏิบัติภริกษูสัมเนศป่วยไม่อันนี้สงเสมอกันนะจะเป็นต้นว่าให้เขาให้น้ำให้อาหารก็ดีหรือโจมลุกโจมนางหรือหลักร่างกระทอกกระโทนก็ดีหรือดูแลด้วยซ้ายหูซ้ายตาว่ะน mm ักงขืนหรือเบาโล่ง huh. ก็ดี หมายความว่ามีความอะไรใสโศกนั่มบ่เฉยวันเะบ่ว่างเฉยวันเรื่องใจปฏิพัตินําอยู่ก็เรียกว่าถ้าเกิว่าใจปฏิพัติ์นํามพระพุพะทธธรรมพระสงฆ์านั่นมีอันนี้สงเสมอกันกับปฏิบัติ พ, พระพุทธเจ้ากับระลึกถึงพระพุทธเจ้าเพลิ น, นว่าเพลินว่าไหวในพระเวไ่ายพระพุทธเจ้าบ่า คนตัวคนดักเือเกิดมาสร้างนามถ้าบุญก็มัวเฮาตามสศรษฐกําลังเฮามีอิสระจิตทําดีใดอยู่ว่าเป็นเฮาหอมต่คว่ำซัวมาเกิดนําคว่ำดีเฮากเก่ามาน้าอยู่จิตใจเฮาโบราณบ่าใบเสียจะลิตคิดมนุษย์คนเหตุยังเฮากับพ่อเห็ุนําไดอยู่คนรักษาศีลเฮากับพ่อรักษาได้คนไหนใครท่ารักษาศีลพระพาณะเฮากับ เพชน้ำเพนได้อยู่บ้นน้อยกับตังหลายอยู่บ้านใดสังเวชบเมนะันหงสันว่าเข้าใจถึงในทางละสัวทรรดีว่ามันใจถึงสีทางปฏิบัติออกความสัววนันคนดีมันก็ไม่จากคนสัวคือพระพุทธเจ้ากอบไปจากพุทธส้นคนหนาบ่ชพันไพรสิบบาเป็นพระอรหันต์มาจาในถ่องยคนก็นกนมละไม้วัดเน่ะ เข้าไปยังเข้าจอาบน้ามันสปกป๊กมืออาบเขาไปยังเข้าไปจังปฏิบัติสิ่มมันจิตใจมันสปกป๊กยิตใจโสปกป๊กเอาสิ่งร่ำเขาปฏิบัติจ้ะเขาพูดทโทธรมโอสามข้ท่านสิน่ภาวนาตัวเขาล่ามันร่างกายกับไม่ยังเชเอาสบู่เอาหน้าอาบพ่อประทังปรทังไปคือว่าท่านมอเากั ว่าอาบน้ำเจลเมือนเขาเรียกว่าเป็นตะนอนว่าเป็นตะนางกับบวกกับปีกับเปาข้าวโมไม่ขอวัดยึดใจอาล้มของข้าวโมไปในช่างบุญหาใจช่างทุกมาใช้กับของมันกับว่าเป็นอายุยิดใจนึกถึงท่านสีนพระมาราหนึ่ถึงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากเนี่ยทุกพระปัณฑ์ปัณฑหายจางไปเลยทุกทุกไก่เมืนว่าจังท่านเอืยนักหาชิติล่หามุน อาหารข่าวนา้ำห้องกินเพลี่ยนเวลาเราะนจิตใจนี่มันนึกไปทั้งอารมของมันมันไม่ ม, มีเวลาเลยบนึกอันนึงกับนึกอันหนึงมันสีนึกไปเนี่ะหายม่เ น, นืกไปทัง้งไม่ผ่อนโยกแา่จากของซะแล้วเอานึกทั้งชัวมาใส่จากของหลังทำรับนอนขวกน้ำเข้ากับบ้าน้อน ลินสำหรับกินปาสําหรับกินแนยวมันมัเป็นประโยชน์เท่ากับมกินตาสาหรับเบื้งแนี่ยวมัเป็นประโยชน์เท่ากับเบิ้งหูสำหรับฟังแนี่ว่าเป็นประโยชน์เท่ากมาฟังใจสําหรับนึกคิดเนี่ยว่ัเป็นประโยชน์เท่ากับนึกคิดแล้วเอามานึกคิดไปยังคันไว้ใจสลัดกรหานเนีแนวดีมาใส่กจ้าของดีจะคือเนี่ยวตัวมาใส่กร้าของเราบอกนั่นโง่ท่านว่าใจโง่ที่ตายตัวหานเนี่ยวตัเดือดหอนมาใส่เจ้าของ นึกแต่ทัง่งว่าเป็นมุ่งค้นมาใช้กับของใจโง่สีตายตัวเนี่ยมึงมีเว้นในไพ่ไปยังจะโม้ดรกว่านัก น, นี่พวกนี้มันจะใช่หรือตัวมึมุเดีวกันบมดทนสอนเราพดเจ้าก็าไม่หน่อยเดียวนี่ที่ทาว่าหลายสวอาหารนี่ลักอหาลงมาใส่ใจชี้ก็ไ่ตัวเดียวชี้หาก็ ขาชัดกับขเห็ดรักษาข้อเห็ดโปรพอรฟิตได้การกับขเห็ดู้ดมุสากับขเฮ็ดดื่มโซลากับขเ็ดกับาเป็นสินตัวเดียวเยในใจเป็นเสียงขาเกี่ยวเยอะในหก่ข้าพุทธโตสอนให้ระบาบอมเพนบุญธรรมมส่งไหว้ถึงระบาบามเพนบุญสังโฆปฏิบัติ้ระบาบอมเพนบุญพระตกลงพระโทษธรรมโมสโกมาอย่ใจหลังมายุตจหันมันไม่ได้โยบนอื่นเนี่เอาไปันอื่นมันกับมาย ของข้างมันย่หันข้างความดีความชั่วอยู่ใจฮะเฮ็ดดีก็เฮ็ดให้ใจเฮ็ดชั่วก็เฮ็ดให้ใจก็เพราย่างเงาเฮด็ดได้ดีได้ให้ใจเราคันว่าใจสราติคันว่าใจสราติะะจิตไม่เฮ็ดความชั่วใช่จะง่องอย่างเสด็เหราใครมาเฮ็ดใจใมันได้ผู้อื่นมาเฮ็ดใจใมันได้บอ่อนิยตธารมในที่โตนะโอรอันิยตทําคือธรรมประเสริฐก็อยู่ที่นอนดิชนนั่นเองกํานดใครก่อก็จิตใจมันผู้ขอขึ้น จะเป็นบุญก่อใจเป็นผู้ทําขึ้นจะเป็นบาปก่อใจเป็นหัวหน้าผู้ทํทาทั้งนั้นไม่มีใครไปแย่งเป็นหัวหน้าเลยพระโพิเจ่า น, นั่นทีแมาไฟเขาก็บพเอากับมันใจ่เป็นผู้เอาผู้รับที่ปฏิเสธตอนนั้นก็เพราะอผ้านงานงกับมันใจผ้านางค้นใจนางมาเปลี่ยนผ้านึกผ่าคิดกัใจเป็นผู้น ผ, ผู้คิดค้นใจแล้วคิดมาเปลี่ยนเพราะคิดวิญ ญ, ญาณมยรคหนัน เหตุกับผลก็ยุ่งกับใจเหตุใจกับผลใจคือกันเหตุนึกไปทั้งดีผลของใจก็นึกไปทั้งดีเหตุน <im ley> ึกไปทั้งชรัวผลของใจกับไปทา้งชรัวเหตุนึกโกรธผลของก็โกรธกับมหาใจเหตุนึกโลภผลเขาโลภกับาหาใจบอกสัตวเหตุนึกบันเท่าผลบันเท่าก็มาหาใจวันเหตุวิจารณไปทั้งดีผลของใจกับวิจารไปทั้งดีเหตุวิจารณไปทั้งครัวผลของใจกับวิจาร์ไปทั้งชรัวว่นวิจารณเพื่อละกับไม่เห็นวิเวท วิการเพื่อที่ปฏิบัติตามเขานี่ยวิจารเพื่ อ, <c oughs> ท, อ, อทีเล่นขางนีน่เห็นโทษเรากวิการเพื่อที่เล่นเห็นคู่เรากวิการเพื่อที่ทําที่สร้างขึ้นก็ลังใจเท่านั้นนี่ใครมายาิเห็ุดีช่วอันนี้มุเป็นกรรมที่ของใจวัดลว่อของันเขาอกเขาว่าให้ไว้หลายพาว่ามันเกกับโรหพอใจเพือ่อเราโกยชวนเปน็นว่าไรส 6ปีละแล้ 2,500 คน 2,500 สาวเสียค น, 3, คนอันนี้เป็นโรกทุกนาดี น, นีั่ก็ได้